ธรรมะสั้นๆสี่ข้อเดียวนี้มาท่านคิดว่าในรถมื่ี้คุณคิดได้ใคจดไว้ก็เปิดวัวก่อนทั้งแรกเลยสี่ข้อนี้จะมาให้ชื่อว่าสี่หัวข้อทาสู่ความสุขสนมกิให้สุขสนมและก็เกินตามด้วยคือมันอยู่ที่มานนาวต้องเย็นสี่หัวข้อทาสู่ความสุขสนมเนปรการที่เดนะฮะกลลมมาสุดตาระดงปรการที่เ่ ทรงใช้ชีวีโดยทรงใช้ชีวีเช่นเทวดากลางหมูชนผรก็มาทำนี่แต่คิดเองี่นี่มันว่ทรงใช้ีวีเช่นเทวดากลางหมูชนอาเดียรีนี้มาจะถามว่าอไย่างเง้เพราะว่าต้งคิดมาเนี่ยแล้วต้องถามได้โยบไม้โยบทีวาเช่นเทวด า, า, ด า, าต้เป็นเทวดาาง เาวาบางเพลงลูกเทวดามุนไพยและท่านเป็นเหมือนกันเคยฟังมันทุกเลเทวดาตอนนี้มัได้เกิดคามเมื่อวานนี้ลูกเทวดามันมาแล้วลูกเทวดาแล้วเดีมีบางลูกเทวดาผมฟังได้บรรยากาศการเล่นลูกเทวดาเราสุดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจงใช้ยจีวาเช่นเทวดากลางมุนไพรอธมายุไว ประยนคิดว่าจะมาตองการจะถือตัวพ่อทำอะไรโปรโมช่นสี่มสูงไปเอาเทวดาก่อนอย่างนันงเลยทงเลยเีอะอยนั่นเไมเกียรกัยเทวดาเียรติกรเทวดาแต่ีกอยากจะทราบแนวสังทำไเกียกเทวดา หลาย็ต่อโอ้ใช้ชีวิตแบบเทวดาต้องใช้แบบแบบหรูนะนอาจจะคิดต่างบุคกรไมได้อชีอวิตเทวนาต้คือใช้ชีวิตให้แตกต่างจากคนคอื่นให้อยู่แบบสมายอยู่แบบเทวดาก็อยู่คเราจะิดธารหรเทวดาอยู่แบบสมาอะไรทุกอย่างต้องเทียงพรองมีแบบหมดแต่ถ้าในแง่ของปริศนาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่หมเพราะนั้นใช้ชีวารแบบเทวดากลางบูชน ไวคือพระเจ้ า, จ า, กก า, าขายย้ขายอย่างเทวดาเนี่ยมีชีวิตเจริญสุกสบายตลอดแต่ว่าต้องมีเมื่อไปอยู่กลางหมู่ชนเนี่ยมันหลากหลายด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างมากต้องอ น, นอย่างว่ากไหใช่ไหมอ๋อเทวดาก็สุขสรรค์ค่ะ <c oughs> เป็นอย่างนี้อยู่ในรับธรรมพุทธศาสนามีหวัวข้อทำหัวข้อหนึ่งเราเรียกว่าเทวธรรม ว่าธรมคือธรรมที่ยกระดับจิตใจคนให้เทียบเท่ากับจิตใจของเทวดาเพราะฉะนั้นเทพาล่าว่าใชา้ชีวเช่นเทวดากลาหมู่ชนเราอาจจะอยู่พวมกับชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่จริงแต่ให้พยายามยกจิตของตัวเองขึ้นสู่ความเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยมีอยู่สองประการตั้นยงจาำง่ายเลยนะหนึ่งเทรี แปลว่าความระกอายชั่วความรัอายต่อบาปความรักอายต่อการกระทำสิ่งที่นิ่งสองอุปะแปลว่าความเฟรืัวต่อบาปและก็พุจริตเพราะนั้นใครที่มีคุณธรรมสองข้อนี้อยู่ในหวัวใจและก็ปฏิบัติชีวิตตามคุณธรรมสองข้อนี้คนนั้นคือเทวดาเดินดินส็ไ อย่างพระนั่งบำใต้ตเป็นเทวดาอยู่ในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นเทวาหรือใช้ชีวิตแบบเทวาดาตามบูชล น, นี่คือคนอื่นอาจจะเกิดกลัวด้วยความเห็นเกตตัวความไม่เป็นกลัวปาความไม่ละอ า, ายต่อทุกเร็ตแต่เราอย่าเป็นเหมือนเขาเราต้องเป็นโลธรรมะสองข้อนี้เข้าไปใช้เพราะฉะนั้นสองข้อเนี้ตอนที่เราเป็นธําสําหรับคุ้มครองโลคให้มีความปลอดภัย ก็เพรนะว่าถ้าคนเราเนี่ยมีความระยต่อสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยโลกมันจะปวดใจอยู่แต่ในปัจจุบันที่มันเกิดเด็ดพังเด็ดวัดมากผขไม่นระ哀 เ, เราทําชั่วได้ทั้งต่อหน้าและก็ลับหลังเพราะบางคนต่อหน้ายังทาชั่วได้แล้วลับหลังไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดถึง เ, เพราะฉะนั้นเมื่อไร่ที่ต้องการจะทําความชั่วหรือเกิดความสุขทาความชั่วแล้วเกิดความระย แต่ความเป็นตัวเราจะลดเว้นพฤติกรรมอย่างนั้นทีนี้ความระ哀กับความเป็นตัวมันมันมีข้อแตกต่างให้ให้ชัดเจนได้ยงไงพอเวลาจะทำความช่วให้มีความระยเนี่ยท่านบอกว่าแต่ก็ความระยตรงนี้ยให้นึกถึงว่าวันหนึ่งเราแต่งตัวอย่างดีที่สุดนะยศเราไปงานเลี้ยงอะไรสักงานเราก็แต่งตัวอย่างสวยงาที่สุดเป็นคนที่เด่นที่สุดในงานกหมนะืนกัน แต่ว่าทุกเราเดินเข้าไปในงานเนี่ยคนหันมามองคือควารู้สึกแต่เดินไปเดินมาเดินไปด้งานปรากฏว่าไปสะดุดเท้าตัวเอง <c oughs> และก็รถปักลงไปกลา ง, งานโยนลุกขึ้นจากจุดตรนั้นมาเนี่ยถามว่าโยนเกิดความกกลัวหรือคว า, า <c oughs> มอะไรเพราะว่าแทบอยากจะแทบปัดนินดีนะ มันบนอะไรตรอดเมื่ออะไรอยากจะทําหรือคิดจะทำความชั่วให้เกิดความระอายนะคือความร้าที่จะทำจะอยู่ไม่ได้อนะุกคนจะไม่กลา้าทาจะไม่กล้าทำแต่ถ้าไม่มีความร้ายจะสบายมากเลยแค่ไหนก็บอกว่าฉันทาไม่ได้ค็เดินไป่กลา้าฉันกล้าอะไรอย่าง น, นี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะนําไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแกต่ตนเองแะละแก่ผู้อื่นจะได้ความใจตัวอยู่ ความเกรงกลัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้เกรกลัวต่อการทำบาปเหมือนกับเราเข้าไปในป่าผมได้ภาพนะเราเข้าไปในป่าเนี่ยเดินเข้าไปแล้ว ไ, ไปเผชิญหน้ากับเสือโค่งตัวใหญ่ๆเนี่ยเผชิญหน้ากันตัวต่อตัวเนี่ยโดยที่เราไม่มีอาวุธใดๆในมือเลยเนี่ยถามว่าในวิญาาีที่โยง ไ, ไปไปเผชิญหน้าอยู่กับเสือโคร่งตัวนั้น โยมจัดละอายเสือหรือกลัวเสืออัตอมาว่เจ็ดเก่าเก่าอกก็ไม่ออกคือมันกลัวแหละคงไม่เป็นงอนะ น, นเขินเสืออยู่หรอกต้อกลัวอย่าสุดๆเพราน้นเวลานึกจะทำในสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเนะี่ยให้เกิดความเกรงกลัวต่อบาเกรงกลัวต่อผลเหมือนกับเราเกรงกลัวต่อเสือที่ย อ, อยู่ข้างหน้าเาขรามอยูเ่เมื่อคนสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้เนี่ย เราเด็ดสกัดเราต้องย้ำย้ำตัวเองไม่ให้ทำความเพราะการทำความพวกมันเชื่อวิานาทีนะโยมยถ้าจิตคนไม่มีคุณธรรมสองข้ออีฟบังคับอยู่เนี่ยเชื่อวิานาทีจริงๆสมาดศึกษาจากพเพื่อนบัมารูปหนึ่งตอนนี้ท่านลาสิกขา แ, แต่ก่อนที่ท่านจะลาสิกขาเนี่ยเราทํางานร่วมกันอยู่ที่วัดปัญญาธรรมแต่ที่วันนั้นเแบบนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดท่านเบิกเงิมนมา สำหรับที่จะจ่ายค่าค่าจ้างให้กับช่างที่ทางนานประมาณ 5, ห้าแสนลายท่านก็ใส่กล่องและก็ตร้างไว้ในสำนากงานลและท่านลืมพอประมาณนั้นทุ่มหนึ่งท่านไปนั่ ง, งกุ้ยมาชงของละท่านลืมท่านก็เดินออกระท่้นะเดินออกไปขึ้นไปทําพิธีสูงความแห่งพุทธมุฑลให้กับท่านศึกษาท่านก็ลืมเสร็จแล้วเส้นอรตมาทุ่มหนึ่ง ท่านือพระมหาพัชรากรท่านมีโครงการจะเอสอีกประมาณ15สิบห้าวันท่านก็เข้าไปในธนานาที่มีใครเีกนั่านเลยนะเข้าไปรูปเียเสร็จแล้วเห็นถุงเงินตั้งอยู่ท่านไม่ได้นับหรอกแต่ท่านประเมินการได้ว่าเงินต้องมีจำนวนมากคนหลังท่านมาสารภาพต่อจะมาว่าถ้าจาจรม ในวิณาทีแรกที่ผมเห็นเนี่ยไอ้บาปหรือจิเลสเตัวหนึ่งมันพุ่งขึ้นมาเลยว่าอีกไม่กี่วันผมจะลาศิษขาดเงินก้อนนี้สามารถจ่ายค่ายประโยชน์ให้กับชีวิตผมได้ในยวคระดับพอสมควรและผมอยู่ที่มี่คนเดียวไม่มีใครเอเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมขอาไปจะไม่มีใครมผมจะปลอดภัยที่สุด ก็ท่านขออนุญาตไปข้างนอกแต่ว่าท่านเหมือนว่าออกไปแล้วทุกคนเข้าใจว่าท่านออกไปแล้วแต่ท่านยังไม่ได้ออกไปโดยท่านขออนุญาตไปแต่ตอนเย็นอะแต่ตอนนี้นมันเจ็ดสองทุกแล้วเราไม่ยกว่าท่าออกไปหมดแล้วท่านบอกผมใช้เวลาในการกำรสวิตจรรณาอยาู่นี้คิดถึงเรื่องนี้และกคล็คิมดมว่าเราปวดมาเทไหร่ความเงินที่สร้างมาทั้งหมดถ้าหยิบเงินก้อนนี้ออกก็อะไรหมดเลย และเงินก้อนนี้มันเจะใช้ได้กี่วันเสรศษราว่าทิดตึงอยู่ในหัวใจเจะอีกไปรู้กี่ล้านคือท่านบอกมันคิดสลับมันอยู่อย่างเนี้ยอยมเอจจะเอาปะจะเอาเ อ, อาก้กลัว่าบก็กลัวก็ะอายก็กลัวตึงไปตึงมันึงไปตึงมาตอนสุดท้ายวิ่งไปหาเลยวิ่งไปหาเลยบอกก็มาเป็นพยานกับผมนี่ผมเห็นเงินตั้งอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนัจิตสมบูรณ์แบบเต็มที่ว่าความดีอยู่เหนือความโลภอยู่ความร้ายชั่วตัวบาปเนี่ยมันอยู่เหนือความโลภ ก, ก็เลยทําให้ท่านปลอดภัยอ่ะท่านปลอดภัยก็เลยไปเรียนเชิมาเสร็จแล้วท่านก็มานั่งบุญมาบอกผมจะได้อย่างสบายเลยผมผมเครื อ, บอกบอเครือกมันจะดูนะเทียววินาทีของความโลกในจิตค น, นตอนเดียวทั้งเจ็ดนะคนเราเขาจะไม่ค่อยสร้างมนุษยาหรืออะไรท่านคนนั้นจะไม่เสียชีวิต โยมเคยสังเกตไหมเพราะว่าไม่ได้โยมถ้าโยมไปส้างอนุสาวรียให้ต่มาสร้าไว้ร้ามาเอ้าวันหนึ่งอ้าวแต่ราไปฆ่าคนตายขึยน้นมาเนี่ยจะเป็นทุกอนุสาวรีย์สิ่งนั้นดีหลังเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องนะเพราะฉะนั้นเทววิญาณีรัฐบาลที่พูดคนที่ทว่สาวสะอาด ท, ที่สุดก็คนจมบูรณ์ที่สุดก็คนเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรที่ใจมันถูกรักษาด้วยขนธรรมสองข้อนี้คือเดชขั้วธรัม จะเป็นตัวบุกคลองเราให้สถ่งาและก็เป็นเทวดาเพราะคำว่าเทวดาไม่ใช่นคนที่อยู่ทุกสบายอยู่ในควาศาสนานเทวดาหมายถึงคนที่มีจิตใจที่กระอายชั่วตัวมาเพราะคนจะเป็นเทวดาได้ด้วยจิตใจที่ละอายชั่วตัวมาเพราะฉะนั้นเมื่อไร่โยมเกิดความละอายความชั่วเป็นตัวต่ำเมื่อนั้นโยมเป็นเทวดาทันทีเพราะนั้นชาติ น, น, น, นี้ทุกท่านสําหรับ สัมผัสวิสีที่ไม่เต็ความเป็นเทวดาได้ด้วยกันนันให้คือข้อแรกโยพระอายทั่วโรบาหรือว่าใช้ชีวานอย่างเทวดาท่ามางโยข้อที่สองโยมได้ว่าประพฤติให้เป็นคนหาได้ยากเป็นยังไงเป็นยังไงอยูมข้อที่หนึ่งใช้ชีวาเช่นเทวดาตามบูชนข้อที่สอง เราพึ่งตนให้เป็นคนหาได้ยากเป็นสละเป็นคนดีช่วยเหลือคนพอมาเป็นแถวเลยนะั่นออกาเป็นแถวเลยอะอยังนิดป่ะยังนิดถ้าว่าถามาๆๆตัวช่วยเนะี่ยพวกเราก็จคําอธิบายต่อไปเลยเราพึ่งตนให้เป็นคนหาได้ยากชะตองเหนือหนาว เในหลักประพุทธศานาเนี่ยตามหลักสูตรที่เราศึกษากันยอมอันนี้อา่านคิจดจะบอเเรื่งงองอะไเจริัพปอ น, อนในคิดเขาจะบอกว่าชัดเจนนะครับบุคคลที่หารดยยากมีอยู่กี่ประเภทกี่ประเภทยอมตอบเราเลิอ่อานจบแล้วใช่ไหม บุคคลที่หาได้ยากมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งปุปภการีคือบุคคลผู้กระทําอุปการะแต่ผู้อื่นก่อนสองประตันยูกะตะเวทีคือบุคคลผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระทําแล้วและ ท, ทําสองแทนเพราะฉะนั้นามาบอกว่าจงประทำตนให้เป็นคนที่หาได้ยาก ก็คือทําหน้าที่ของเราณจุดตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบที่จริงตอนเนี้เจ้าโยมท่านอยู่ในฐานะอุปการีหรื อ, อยังอยู่แล้วใช่ไหมฮะและโยมอยู่ในฐานะของกระธานกตัเวทีไหมก็อยู่เมื่อไรโยมเป็นแม่เมื่อไหรโยมมีลูกเมื่อไร่โยมเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่เมื่อนั้นโยมจะใช้ชีวิตเป็นได้ทั้งสองส่วนเลย บุปการีคือบุคคลทุกประการบุปการี ก, ารก่อนก็คือพ่อแม่พ่อแม่โหย่าตาถ้าในระบบหนึ่งนะแต่เช่นในเรื่องของครอบครั ว, พ, วพ่อแม่เป็นบุปการีลูกเป็นเป็นอะไรบ้างอะไ ร, ะไรการกินชีไปพ โอเคจำจำอาใกล้ๆันเออใๆกันแลว่ปาต่วาหยต่างกัเป็นลูกเป็นกัตตันยูกัตตันเวทีกตันยูอย่างเดียวไม่ได้นยกกัตตันูที่แปลว่ารู้คุณอย่างเดียวไม่ได้มันหาง่ายมากเลยกตตันยูน่ะถามลูกทุกคนนะรู้ไม่อแม่มีคนรู้แต่ถาวันนี้จะตอบแทนไหมบางคนไม่เพราะฉะนั้นลูกที่หาญาติและลูกที่รู้คุณด้วยแล้วก็ ตอบแทนคุณด้วยเพราะฉะนัน้นนี่คือสิ่งที่สําคัญทั้งระดับครอบครัวพ่อแม่เป็นบุฟการีลูกเป็นกระจญยโกกาเวนีในระบ บ, บสังคมการศึกษาครูบาอาจารย์เป็นบุ ป, ปการีลูกศิษย์เป็นกระจายโยกกาเวนีในระบบประเทศชาติพระเจ้าปผ่นดินเป็นบุฟการีข้าศึกกรเป็นกระจายโยกกระจาเวนีในระบบศาสนา พระพุทธเจ้าไม่สมองพระพุทธเจ้าอะไรอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปุบรการีส่วนสาธารณชนเป็นประจันยูกตะเวทีเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของคนในสังคมแต่ก็ต้องเป็นการกระทำหน้าที่ต่อกันที่ถูกต้องนะโยบุบรการีคือบุคคลผู้กระทำบุรการก่อนพ่อแม่กระทำบุปการะต่อลูกเพื่อจิตใจที่สหานั่นกบริลุท ตรงนี้ท่านย้าถึงบุคคลที่เคยทาหน้าที่ต่อการโดยความสะอาดด้วยวก็บริสุทธิ์ท่านพ่อแม่เคยทาหน้าที่ต่อลูกให้ด้วยความรักอย่างจริงใจตอนนี้ก็เป็นบุคคลใดแต่คนที่ทําเพื่อว่าผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยเราไม่จัดอยู่ในประเภทนี้ใช่ไม่จัดอยู่ในประเภทนี้เพราะต้องการสิ่งตอบแทนจิตจะไม่บริสุทธิ์พระที่ควรแต่เมื่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ จึงจัดอยู่ในภูมิภานใดมันหายากเลยคนจะทําอะไรเพื่อคนอื่นด้วยใจที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างนี้มันยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมปฏิบัติในข้อนี้ได้ชีวิตจะมีความสุขคีว่าจะมีความสุขเําออกไปด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนกลับคืนเข้ามาเนี่ยมันไม่เป็นหนี้ไม่เป็นคาดของใคร เราทำอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนจากใครดูเหมือนเราจะได้ประโยชน์แต่แท้จริงแล้วเราเป็นผ้าของคนเพราะถ้าเขาไม่ตอบแทนมาเราทุกไหมเราทุกเราไม่ได้ดั่งใจเราทุกเรามีศัตรูเพิ่มเรือจะมองเขาเป็นศัตรูทั้งหมดแม้แต่การทำอะไรหวังผลเพียงแค่คำว่าของคุณก็ยังเป็นทุกข์เลยสังเกตไหมรถทนคนมีอยู่คนหนึ่งบอกว่ามีรถประสบอุบัติเหตุและขอเข้าไปช่วย ในความรู้สึกลึกๆหวังว่าเมื่อเขาเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยคนที่ประสบเหตุก็ดีควรจะกล่าวชื่นชมรวมถึงคนที่อิวโรคห้ามเนี่ยก็จะต้องไปรับคําคําชื่นชมอย่างแน่นอนแต่เพราะเอ่ยว่าทำไปแล้วไม่มีเสียงคําชื่นชมออกมาเคนที่ประสบเหตุอาจจะยัไม่ได้ยื่นชมเพราะเขากําลังอยู่ในวงของความทุกข์โศก แล้วคนรอบข้างที่มองุสถานการณ์เนี่ยน่าจะมีนใไรสักคนหนึ่งเคยชมเขาว่าคุณใจดีจังทาไมเข้าไปช่วยโจ้คนนั้นบอกว่าไม่มีเลยมีความทุกอย่างหลายวันที่วามทุกอย่างหลายวันจนผลสุดท้ายพารู้ทีหลังว่าไอ้ที่แกไปช่วยเนี่ยเหตุที่ไม่รับคำชื่นชมจากชาวบ้านทั่วไปเพราะคนที่ประสบเหตุ เป็นคนที่ชาวบ้านเขเกลียเป็นคนที่ชาวบ้านเขาไมชอบเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาคิดเป็นเฉยๆแต่แกเขาไปช่วยโร้แกมาแต่ที่อื่นยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะหวังคาชื่นชมจากคนรอบข้างเขาไม่เป็นเรื่องทั้งประมแล้วเพราะว่าเอาไม่ชอบคนคนนี้เลยอาจจะเป็นคนไม่ดีหรืออะไรยังไงไม่ทราบแก่าพูดอย่างน้โอ้พระอาจารย์บางทีในการช่วยคนเพื่อต้องการหวังผลตอบแทนเชิงสังคมเนี่ยมันข้ามความรูกไม่เสร็จได้ เพราะนั้นต่อไปนี้ผมขอช่วยแบบแบบช่วยด้วยใจดีกว่าพอช่วยปับ๊บผมจะได้ความมีได้ความสบายใจทันดีผมจะต้องไม่คอยหวังทุกอย่างจใครอีกมันเป็นความสุกที่เกิดในสมุนไพรอันนี้คือสำคัญเพราะฉะนั้นบุปกรารีคือคนที่กระทาอุปกราระกรเนี่ยถ้าโยางเป็นพ่อแม่ก็ต้องปาศึกษาว่าและเราจะเป็นบุปกรารีที่ถูกต้องให้กับลูกไดอยังไงบ้าที่มีความ การที่จะเป็นที่พึ่งให้กับลูกได้ก็ต้องรู้ว่าเราจะเลี้ยงเขาให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้ยังเพราะฉะนั้นพ่อแม่เลีูกต้องเลี้ยงพวกผู้เลี้ยงดูแลร่างกายด้วยดูแลจิตใจด้วยให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโยมให้แต่ความรักไปอย่างเดียวลูกโยมไม่ได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีในสังคมพฤติกรรมของลูกเน่ยจะทา่ามกลงทุกข์ที่จะโยมในวันข้างหน้าได้แสนงตรหงดด้วยอันนี้คือข้อที่สำคัญ ลูกก็เหมือนกันในการเป็นลูกในฐานะของคนที่ต้องทำหน้าที่ของความกตัญญูนี้ในกตัญญูกตัญญีเราควรที่จะศึกษาเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกเ<ม>อนโดยท่านนี้ทำดีอะไรมากไม่เท่าไรก็ไม่เป็นไรยอย่างก็ขอให้เป็นคนที่ไม่เกิดมาและทำให้พ่อแม่ต้องต้องเป็นกังวลน่าจะเป็นความสุขที่สุดของความเป็นลูกคนหนึ่งประมาณนีน้บางทีเราเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยพ่อแม่เป็นทุก เรายังเป็นตำรเลยตรังไม่เคยจะเป็นบาปหรปาที่ที่เราเป็นต้นเหยี่ยนพ่อแม่เจ็นคนที่ทำมเพราะนั้นสมาเคยพูดกับลูกศิษยเสมอว่าเราไปเที่ยวดื่มเหล้าไปเที่ยวเกมเลเกมอะไเนี่ยผสุดท้ายกราี อ, อะไรที่มาเราเจ็บคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่บาปหนักที่เกิดตามาก้คือทํทำให้พ่อแม่ต้องเป็นตำรวจนี่คือบานะปนักเพราะนั้นญาติโยมเองก็เช่นเดียวกันเรื่องความประจัญบาเวทีต้องสอนทูก ตลอดนะยกอย่าเื่อที่จสอนนะถึงจะเป็นลูเทวดายัางก็ช่ามยมต้องสวัออนนี้ไม่ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนเขาลูลูกเขาให้ผลเรียนเแล้วเาจะแล้วเาจะรู้สึกโยมเขาจะรู้สึกว่นนี้ปล่อทิ้งไปแต่มาไม่ชวเท่าไหร่รูปเทวดาเนี่ยถ้ามาวสามีเทวดาหรือภรรยาเทวดามากกว่าโยม <c ười> ใครมีสามีเทวดาเนี่ยแต่งงานมาไม่ทำอะไรเลยนั่งกันข้าวดูทีวียางเย็นนะ ลำบากเท่าไหลำบากหรือมีบริยาเป็นเทวดาเนี่ยภรรยาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยลำบากเท่าไหร่โยมเพราะฉะนั้นภุมิปภารีหรือเ ก, กษตรกรเกษตเวรีคราสอง 2, ชนิดบุคคลนี้เป็นสิ่งที่โยมต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาในพิธเราเป็นเกษตัญรเกษตรกรีเราเป็นภุมิปภารีคือทำความดีต่อบุคคลอื่นโดยไม่รำลึกต่อแม่แล้วเป็นเ ก, กษตรกรเกษตเวรีคือทำหน้าที่ของผู้ที่ต้องตอบแทนคุณ ไมไ่ในเรื่องของศาสนาเราไม่อาจจะทดแทนในสิ่งที่เป็นวัตถุให้แก่พระพุ้เป็เจ้าได้สิ่งเดียวที่จะทําหน้าที่ของปางกัจจายนุขอพระรพุ้เเจ้าไปทําอย่างไรปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมโยมจะเริ่มสมาธิภาวนานั่นคือการตอบแทนพระคุณให้กับพระพุ้เเจ้าอย่างสมควรแท้ที่สุดแล้วเพราะเมื่อไรที่โยมมีการปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นคำสอนของพระองค์จะยังคง แต่ถ้าเมื่อไร่เรามีแต่เอาดอกไม้พุกเทียมนมาถวายกันเราไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่นานอยู่แต่มาทุกเทียนนั่นก็หิวไปเสีไปแต่ศาสนาธรรมก็จองอางเลือนจางหาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่ออะไร่ที่ชาวพุทธเรายังศึกษาธรรมยังปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นพุทธศาสนายัางอยู่และเราก็เป็นการจะทําตอบแทนคุณสวรพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเมื่อวานนี่คุยกับญาติโยมที่วัด พูดกันถึงเรื่องว่าพุทธศาสนาให้อะไรแก่ ค, คนเราประก า, าพูดไปหลายคั้งอันนี้ว่าพูดอะไรทั้งพุทธศาสนาให้อะไรแก่คนเราเธอเนะี่ยมาถามตัดต่อไปเนี่ยลองตอบได้ไหมให้เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นพุทธสาวกเราต้องตอบแทนคนพระพุทธเจ้ธธาเพราะศาสนามีคุณะเรา แต่แล้วต้องมอถาถามว่าข้าห้โยมร้ไหมศาสนาบีคุณยงไในโยมงเอาิเ อ, อไปด้คิดจเป็นผู้ตอบครอบใจกวางในอุปการะใหญ่มาหนิดเป็น่น า, น า, า, านิ ด, นะะนดนให้ความสงบร่มเย็เอาละไปได้ ล, ละฝ่าเราจะไปดิโกใหอดีดหาเรื่องายวิลันให้ทำความี อ้อาวองข้างในบีอะไรจะเจอบ้างเจ็บุ๊บเจบปุโ <c oughs> ยงเห็นนะหรือเล่นงหนึ่งไหมบนเนี้ยเรื่องการบำรุงพระพุทธศาสนาโยงเปิดหน้าแรกปั๊บโยงจะเห็นไปว่าหลวงพุทธเจ้าท่านท่านเป็นคนตั้งคําถามเอาไว้ว่าพุทธศาสนาให้อะไรแก่คนเราจำเป็นจะไปให้มาไหมการบำรุงพระพุทธศาสนา เนี่ยเล่นเกียวกับที่มีสรรมเนจอยนะู่นั่นแหละที่ใส่มาให้ปัญญาให้กติธรรมให้ความเข้าใจธรรมชาติหนตกน้ำพลว่ า, าเข้าใจกันมาพุนเราก็เดินท่านไปด้นะที้จะดูนะเรางพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าท่านถามว่าพุทธศาสนา ให้อะไรแก่พวกเราท่านบอกไว้สี่ประเด็นหลักฟังดูนะที่เด็นต้นต้นยอดของความเป็นนักปราชญ์ของพระพุทธเจ้าท่านเนมุมองที่คือระมองไม่ถึงนะท่านที่มาเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เราสัมผัสมาตั้งแต่ เ, เกิดแต่ว่าเรามองไม่ถึงคิดไม่ออกอย่างท่านแต่ท่านท่านคิดของท่านได้โดยความคิดใจของท่านอยู่กับธรรมะอย่างแท้จริงท่านบอกว่าประการที่หนึ่นนะพุทธศาสนา ก้าวเขาที่ถูกต้องจ้าแรกแก่เด็กๆทราบไหมก้าของเด็กวัยของเด็กคือเก้าแรกที่เด็ก ก, ก้าสู่โรคเลยเพราะฉะนั้นถ้าเก้าแรกของเด็กไม่มีหลักคาสอนในศาสนาเป็นตัวประคับประคองเด็กจะก้าวไปถูกทางไหมไม่ถูกทาง ชีวิตท้างหน้าของเขาจะต้องเจอสภาวะไหถ้าเมื่อกเก้าแรกปิดพลาดไลนเก้าต่อไปก็ปิดเก้าต่อไปก็ปิดกว่าเขาจะได้ประสติดึงเท้ากับคืนมาแ ล, ล้วเริ่มต้นเก้าใหม่ชีวิตรุงไปเท่าไหร่อ้นี่คือท่านบอกให้เราเห็นว่าธรรมะมันเริ่มพวกคู่กับชีวิตคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นแม้แต่เด็กธรรมะก็ต้องช่วย ก็คงบอกเราชัดเจนว่าธรรมะเนี่ยให้ประโยชน์เรมาตั้งแต่เกิดมองภาพตรงนี้ให้ไปรนคุณแก่เรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ก้าวแรกถ้ายูเรารู้เนี่ยญาติยองทิสก้าวเท้าอยู่บนลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะอาศัยปู่ญาติยายเพราะอาศัยปู่ายารสมัยก่อนให้กติทําแก่เรามาเช่นเราจึงประคับประคองกินพิธให้ดื้ออยู่ได้อย่างงดงามอันนี้ถึงธรรมะรอรอรอ นี่คือข้อที่หนึข้อที่สองคนศาสนาให้วิธีการบังคับควบคุมตัวเองที่จําเป็นอย่างที่แก่คนหนึ่งเป็นว่าใช่ไหมโรคแอนต์ไวัยความเป็นหนุ่มสาวเป็นโรคที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเด็กหรือคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวไม่มีธรรมะประครับประคองไว้เหลวโยกเรีย น, นหนังสือไม่จบ ทำการงานไม่สําเร็จรวมไปถึงสร้งา ง, งแต่ความทุกความเดือดร้อนให้กับคนให้เพราะฉะนั้นดยดสังเกตไหมวารินไทยบ้านเราเนี่ยตำรวจต้องไปคอยคุมตามสถานบันเทิตตตตงต่างๆต่างโรงแรงตามอะไรอะ่รที่มาจากอะไรอยู่ก็มาจากกลุ่มสาวที่ไม่ได้เอาสมบัติไปเป็นตัวควบคุมพฤือติดตามตัวเอต้องใช้กฎหมายเป็นตัวควบคุมเทรายชั่วบัวบากไม่มี่ถ้า เขามีสมรู้คือรอริตอุตปาหอยู่ในใจอย่างที่ก่าวคุณผู้นมันจำเป็นที่ต้องมีตำรวจไปยึดคันและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะแต่บยยริษัทโยมลอยกันทงสงกรางตํารวจต้องไปคอยสกัดตามบริเวณภาษาเรื่องโร ง, ง, ลงแลรมเพราะพฤติกรรมที่สื่อไปในทางที่เป็นพิ่เป็นทีน่อต่อพวเขาเองอันนี้ก็ตัวระเอ่ะ หลวพ่อพ ร, ระแท้ท่านบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพุทธศาสนาให้วิธีการบังคับตัวเองที่จําเป็นอย่างยิ่งสาหรับคนหนุ่มสาวเพราฉเราจะบอกว่าวัยรุ่นยังไม่ต้องใช้ธรรมะมาใช้แล่นคือวัยที่ต้องใช้คนแก่แรงจะทาความท่วมมีน้อยแล้วมีน้อยแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นใจมันลกไปทางธรรมะถึงไม่มีธรรมะมัน ใ, ใครประเทศได้ความติดใจมันไปก็มันเลยเป็นธรรมชาติแล้ว พ็เริกลัวแล้วเริ่มรู้ว่าชีวิตมันสั้นน้อยลงต้องไปเจอตระเวมันต้างหน้าเจ็บมันเริ่มตระวนหาความดีแล้วแต่คนที่ร่างกายยังแข็งแรงเจ็บที่ยังหลเนี่มมองเรื่องความดีมองช่วงต่อบองเรื่องที่กพิ่งเจ็นอันนี้น่าคิดเพราะฉะนั้นธํามะโดยเฉพาะเดรีวสัมต้องเป็นตัวพุ่คุมงขึ้นอาของคนโดยเฉพาะในวัยเด็กน่สาเพระการนี้สํา พุทธศาสนาให้เคล็ดลับจะให้เคล็ดแห่งความสําเร็จและความไม่มีทุกข์ในการแสวนาโรกิจสุขแก่พ่อบ้านแม่ลูกจำจีนประหมายคนนี้ออกไหมเขาคือในชีวิตของคนที่เป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านในชีวิตครอบครัวเนี่ยพุทธศาสนาช่วยก็ไปประคับประคองให้เราใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความสุข รเราขยายสุขไมายถึงอะไรคือสุขแบบชาวบ้านยงใช้ชีวิตแบบชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขแบบชาวบ้านก็เรื่การทำยังไงก็เรื่องการขยายต้นเพียนในการทํางานหนึ่งโดยการเป็นคนที่ไม่ประกอบอาชีพที่เป็นที่เป็และมีอะไรก็มีเป็นปล่อยว่างเป็นอย่างก็บอกว่าในการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ย สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่อย่างไรให้ชีวิตนั้นมีความสุขให้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านแสนสุขไม่ใช่บ้านแสนทุ่งก็เลยใส่ธ mm hmm. รรมบัตรในทางรพระพุทธศาสนาช่วยประทับประคองให้ผู้สามีภรรยาเป็นผู้ที่มีสติในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความเข้าอกเข้าใจเพื่อช่วเรื่องของความเลียนใจช่เรื่องของความพื่ัต์สุรจริตต่อกัน เพ้นครอบครัวไหนถ้าพ่อบ้านแม่บ้านไม่มีความซื่อสัตยต่อ ก, กันครอบครัวนั้นสุขหรือไม่สุขจบไม่จบครอบครัวไหนพ่อบ้านแม่บ้านไม่มีความเป็นกันเป็นใจต่อกันเลยกันครอบครัวนั้นก็หาความาสุขยม่ไ้บ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านแสนสุขไม่ด้หลือมันจะกลายเป็นบ้านแสนแแน่าทุกข์เลยที่สำคัญที่สุดเราไปพูดเสมอว่าคนยิ่งไม่คิดกันมากโดยเฉพาะพูดสามีภรรยายิ่งต้องเกรงใจกันให้มาก โดยส่วนมากเราจะเป็นใจถ้าเราสนิทกันมากเราจะไม่ไม่เก็งใจแต่ว่าบางโอกาสบางเวลานั้นได้เลยแต่บางเวลาเนี่ยสามีกับแต่นทำ ง, งานเรืไหนมามาถึงเจอหน้าภรรยาภรรยาอาจจะรบเสียกับอะไรบางอย่างก็อาจจะพูดออกไปด้ยวยวาจาที่ไม่เป็นร้ออนว่าโอเคเมื่อก่อนอาจจะบางวันอาจจะไม่เป็นไรเพราะคิดปกติแต่บางวันถ้าคนใดคนหนึ่งคิดไมปกติเนี่ย โอกาสที่จะเกิดการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นมาและหลายครอบครัวก็มีปัญหาเพราะไม่เกรงใจซึ่งกันและกันเกิดยิ่งแย่ที่อันภรรยาเราไม่กันหรอกจะพูดยังไงก็พูดได้ไม่ใช่ไหที่บางอารมณ์มันไม่ได้อยู่โดยหรือโดยเฉพาะในบ้านโยมพ่อแม่คุยกับลูกเนี่ยลูกจะคุยกับพ่อแม่ยังไงก็ได้ก็เป็นแม่เราไม่ได้อยู่บางอารมณพทอดแก่ต้องแพ้พนันบาเนี่ยจะเป็นเรื่องหรือว่าเพิ่งจะโดนเพื่อนตำหนิมาอะไรมาเนะี่ย เดี๋ยวเป็นเรื่องหรือแม่พอ่อคุยกับลูกบอกไม่ต้องเกรงใจกับลูกเราคุยยังไงก็ได้ไม่ได้มาเคยเล่าโยฟังว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวอยู่เสร็จ แ, แล้วเนี่ยเดิมทีเด็กเป็นเด็กที่เพียรร้อยมากแม่ก็ไม่ค่อยได้ตักเตือนการสอนเท่าไหร่แต่อยู่บ้าวันหนึ่งเนี่ยครูส่งจดหมายมาเรียกตัวผู้ปกครองไปบอกว่าลูก หมดติดสอบเพราะไม่เคยเข้าชั้นเรียนเลยเพราะแม่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกหนีไปไหนทุกครั้งที่ออกจากบ้านแ้น่ก็ไปเรียนตลอดเพราะพอมีจดหมายที่มาปับ๊บพอตอนเย็นลูกกลับมาเนี่ยจากการเสียความรู้สึกที่รักลูกมากไว้ใจลูกมากไม่เคยตำหนิไม่เคยว่าคือเชื่อใจอยู่ตอนลูกเดินเข้ามาปับ๊บทั้งพ่อและแม่เนีน่ย ก็ใช้คําพูดรุนแรงเป็นครั้งแรกในการตําหนิพฤติกรรมของลูกแล้วก็เป็นการใช้ครั้งแรกในครั้งสุดท้ายเพราะพอใช้แล้วลูกก็ออกจากบ้านไปเรียนในปัจจุบันลูกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถามเพื่อนๆมาจากไปเมืองไทยเดียร์ถามวัยรุ่นอ่อนน้องเขากลับมาบ้านได้ยังพกยังรู้อยนตในเลยไม่ใช่ใครๆยังพูดแต่ผมพูดกับลูกคำหยาบที่สุดก็คือวันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตและก็เป็นครั้งเดียวด้วย หลังจากนั้นเขาก็รู้ออกไปไหนจนผมหาก็ไม่เจอแล้วอันนี้เกิดสําคัญเพระาะฉะนั้นการทําใจให้มีสติแล้วก็แก้ปัญหาจะพาะหน้าอย่างคนมีสติมันช่วยระงับปัญหาสั้นๆอันนี้เป็นข้อสำคัญพ ย, ยายามข้อที่สี่พัฒนาให้โลกุตรัสสุขหลังจากผ่านโลกุตรัสสุขมาแล้วแก่คนแก่ใหาไม่ใจความหมายไหม เราใช้ชีวิตเจ็บชาวบ้านมีความสุขเกิดชาวบ้านมาในระดับหนึ่งแล้วพอถึงกันโยมโต้องปลีกตัวเองก็สูขกันแสวงหาความสุขสูงสุดแล้วคือการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาจิตสูงการเข้าสู่พระนิพพานมันจะถึงหรือไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้อายุมากแล้วก็ยังที่โลงแสวงหาจนไม่เบียที่ทุกคนเพราะมันจะทําให้วิธีสุดท้ายแห่งการจับไปของเรา มันจะเต็มไปด้วยวงเงี่ยความริษมันอย่างมและจะไปถึงทุบคุมที่ที่ไม่ดีเพรา ะ, ะนั้นพอถึงจุดอย่างแล้วเราทุกคนก็ต้องปล่อยควางทุกสิ่งอย่างไปอันนี้คือสอนกระบวนการในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามวิธีการศาสนาเป็นเด็กเรเิ่มเลื่ข้าวแรกโดยธรรมะเป็นหนุสาวทช้ธรรมะมาประคับประคองควบคุมพฤติกรรมเองให้ปลอดภัยจากจากสังคมและก็ไปสร้างอันตรายต่อสังคม ไวเป็นพ่อบ้านแม่เลือนก็ใช้ชีวิตในความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอย่างคนที่มีธรรมะประทับครองทำให้บ้านที่เราอยู่นั้นเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านแ่งสดรวมถึงเมื่อเข้าสู่วัยชราเมื่อสู่วัยที่สุดแล้วก็ต้องตละปล่อยทิ้งทุกอย่างเข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างอย่างเข้มข้นที่จริงตรงเนี้ยไม่มี เ, เฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นแม้ในของศาสนาพรานก็มี พอคอนศาสนาพรามพอถึงวัยสุดท้ายเนี่ยเรียกวัยปัญญาสีดุรินปร์เขาก็จะออกจากบ้านไปอยู่ฝันทิ้งให้ลูกหลานดูแลบ้านแทนไปคนทา่านผู้ให่เขาจะออกจากบ้านไปอยู่ป่าเพื่ อ, อแสวงหามุคธรรมของเขาต้องเข้าไปเพราะนั้นของเราก็เหมือนพอถึงวัยตั้หนึ่งมันไม่แปลกที่ตาวัดต่างๆจะมีคนสูงอ า, ายุมาวัดมากกว่าคนไปรุ่นหนุเพราะมันเป็นวัยที่ เป็นตัวเองเข้าสู่การแสวงหาความสุขที่สมบูรณ์แบบแล้วอันนี้คือสิ่งที่ได้ที่ผมเป็นฝากทุกท่นไว้ น, นี่นี่คือส่วนประกอบในาฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกช น, นต้องทําคุณตอบแทนศาสนาก็ตอบแทนพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมรพุทธเจ้าไม่ร้องการสิ่งอื่นรรให้เราตอบแทนองค์ท่านด้วยการปฏิบัติธรรมที น, นี้อยู่ในส่วนของข้อที่สองคือประพฤติตนให้เป็นคน อะไรอ่ะการตั้งดูน่นต้องรู้จักเอาไว้ดีประการที่สามโยมจงทิ้งความปรำบาดแล้วคิกลุมหัวใจเสร็จสีได้ค่ะอไปไม่ใช่วันละเอียดวนจนแล้วไปอยู่เษตรทุกเสร็จสีขึน่หน่เดือนแต่เขาจะมาเสจไม่ต้องการสอนอย่างนั้นทิ้งความประบาดแล้วคิดกลุมหัวใจเสร็จสีคืออะไรโยมเได้ยินคาว่า หลักหัวใจเศรษฐีในทางพระพุทธศาสนาไหมหลักธรรมซึ่งจะเป็นหัวใจของเศรษฐีหรือหลักธรรมที่จะพัฒนาคนขึ้นสู่เป็นเศรษฐีมีอยู่อีกขมีอยู่กี่ข้อคือขอข้เราเรียกว่าเราเรียกว่าคิดธรรมนิยธรรมประโยชน์คือธรรมที่ให้เกิดประโยชน์ในรูปนี้ยเราเรียกว่าหัวใจของเศรษฐีมีอยู่กี่ข้ออุอากะ จ่ากระต่ายพุทธมาวันนโจมต้องรีบไปเรียนธรรมาศึกษากันอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ตัวอย่างมาแต่ผวก็ไม่มีใครพุทธเคยเลยปนะุอาจ่าตอเรียกาเป็นหัดใจเศรษฐีโยมใครมีธรรมะสีข้อนี้เป็นเศรษฐีหมดถ้ามีนะ้นปุมาจากคาว่าปุชานะสัมปทาแปลว่า ถึงพร้อมด้วยความขยันบันเทียนในการเสวงหาทรัพย์หรือการทำงานง่ายไม่หรอกถ้าคนไม่ขยันจะรวยก็มาเลยถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียนในการเสแวงหาทรัพย์ก็ดีในการประกอบอาชีพก็อีกเพราะฉะนั้นถ้าคนเป็นพร้อมด้วยความขยันบันเทียนแล้วรับรองได้ว่ารวยอ้นี้มาให้คาถาันคนประการที่สองอ่า มาจากกาว่าอารักสัมปทานถึงพร้อม้วยการรักษาทรัพย์สมบัติที่แสวงหามาได้คือไม่ได้มาแล้วเอาไปทั้งหมดแต่เราต้องเก็บเอาไว้ให้เสร็จนี่คืออารักษสัมปทานประการที่ม า, มามาคือกับมาจาคกาว่าอะไรคุณไม่องนะนี่อมทำก่อา มาใช้คำว่าการยานมิตรตาคือครบเพื่อนนี้มัจนแต่รวยหรือไม่รวยส่วนนี้การคบเพื่อนด้วยแต่คบเพื่อนที่มอเรียบร้อยเรียบร้อยคบเพื่อนเล่นการพนันเจงก็เดินรอสู่การพนันก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการคบเคลื่อนที่ขยันบันเพิงเขาจะทําให้เราขยันบันเทิงครบเคลื่อนที่ประหยัดพัฒย์ยศเขาก็ช่วยเตือนช่วยสอนให้เรารู้จักเป็นพัฒย์ยศคบเคลื่อนที่เป็นคนให้กำลังใจ เวลาเราเกิดความความทุกข์เราก็จะมีกังวลใจออกมามีกังวลในการต่อนสุสีอันนี้คือกิริยาธรรมวิจารณ์ทัคัญอยู่พระเจ้าท่านสอนในทรรมบทจะมีปวัตของรูปชายเศรษฐีเดินผ่านวงที่เขานั่งดื่เหล้าเพื่อนมาชวนวันแรกก็ปฏิเสธวันที่สองปฏิเสธวันที่สามปฏิเสธเพื่อนชวนมากเข้ามักเข้ามากทดลองสักวัน เลยใช่วันเดียวไปเลยไปเลยจากวันแรกเพื่อนเลี้ยงหลังเสนั้นะาทท ป, ตปน า, นนนตาต้องเลี้ยงรถตลอดเสร็จแล้วซับสมปัติพ่อทิ้งไว้ให้หมดต้องไปเป็นขอทารอยู่ทั้งทั้งเราคนหมอทารมันจัใไงก็ฟังไปคบินะเพราะฉะนั้ น, ก, น, นาาการานุตตรการคบค้าสมาคมรู้จักคบเพื่อนที่ไม่ดึงเราไปสู่ทางที่เสียหาย เ ร, รเก็ได้ขอให้เราเจ็ดคนนะยกอยากเขาเก้าใจจริงแต่ว่าไม่ครบเพื่อนที่ดึงเราไปสูเ่เส้นทางที่เสียหายนั่นเป็นเรื่องที่เป็นบุคงมั่นขอชีวิตนี่คือประการที่สามประการที่สี่ก็คือสมัู้ชีพตาแต่ว่าสมรู้ชีพตางง่ายมากแะสมรู้คหนึ่งในชีวิตตาตัวหนึ่งในชีวิตวเกิดชีวิตอยู่แล้วสมัูชีวิตตางแปลว่าใช้ชีวิตพอเหมอออาะพอควร ไม่ซรุ่ยซูร่ราเกินไปไม่หูดของพูดในผไม่พูดเกลืมากเกินไปโดที่พระบ อ, อกใช่มคือไม่ถึงกับซรุ่ยซร่แต่ไม่ถึงกประหยัดจนไม่ไม่กินไม่จ่ายอะไรคือประหยัดมากจนตายเป็นกองเป็นกองทองในสมคบันอะไรก็ทรมาณตัวเองคือคือไม่จ่ายเลยจนนตเป็นองเป็กองทองเห็นไมว่ามันก็ลบาเพราะฉะนั้นสามารถชีวิตารอใช้ชีวิตออมบอกหมอมควร นี่คือหลักหัวใจของเศรษฐีใครมีวุฒิธรรมทั้สี่ข้อนี้คนค น, นั้นจะกลายเป็นเศรษฐีไม่ต้องมีสองหมืน่นสามหมืนล้านอยู่เอาแค่มีเท่าไหร่ก็ได้ที่เรามีเนีเราใช้จ่าเป็นเรามีความสุขคือท่านสอนให้ให้มีความสุข ก, กับการมีทรัพย์ใช้จ่ารั บ, บ, บ, บ, บและก็ใช้ชีวิตของเราที่ที่เกิราทำสอนที่เราเรียกว่าเป็นหัวใจของ เพราะฉะนั้นคาวามธรรมะนิอวะจะยังมีข้อหนึ่งก็ง่ายๆประการที่ต่อวระกที่สีคือมุ่ง ม, มันน่นสร้างความดีทุกที่ทุกเวลาก็ทั่วไปก็คือไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็มุ่ง ม, มันน่นสร้างความดีเพราะความดีมันจะเป็นอริยสัพพะมันจะเป็นอริยสัพพะสำหรับเราเรานำติดตัวได้ตลอดไอ้ความเป็นเศษฐีเนี่ยได้รับมาบา้างก็จริงแต่ทับเหล่านี้เราใช้บทเฉพาะในในชั้น แต่ถ้าอริยทัปคือความดีที่เราสร้างเนี่ยเราจะใช้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นรันกว่าธสัมะันสีข้อที่ไว้หนึ่งใช้ชีวิตเช่นเทวดาตรามุชนสองประพฤติตนให้เป็นคนหาได้ยากสามทิ้งความลำบากเจ็บปว้ใจติอย่างนี้จำยากมั้ประการที่สี่จงมุ่งมั่นสร้างความดีทุกที่ทุกเวลาคงทำได้อย่างนี้รับ จงขึ้นสวรรค์ก่อนก่อนนัเทศิตจะ่ น, น, น, นต้นบอกโอลานาจากทุก่านจรมีจึงมีระยการใดที่ท่าน้าา น, ในใจานาขอสิ่งนั้นจงพันสาเร็จด้วยการทุกท่านทุกคนเดินสาอาจานพค้อมกันฟังฟังนะคะจา Yeah, it's